ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่น้อยยานนวโรแห่งวัดป่าห้วยรินมีชื่อกันเทศว่าเรื่องยาวเก้าปี ได้ออกติตามหาพระลูกชายเป็นในแรงงานถึงเก้าปีก่อนจืนลูกต้องการขอขมาองค์พระมุขการขอขมาจงใจของคุณตาคุณยายจุนที่ลูกได้เอาอเรื่องราวมาเขียงโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตได้การขอขมะคุณ ในความปร า, าราของพี่น้องเจริญคี่แม่อรุณพี่ข้อสวยและพี่แม่สวยที่ให้อัภัยเอาชื่อมาประกอ บ, บเรื่องคุณให้เรื่องได้สมบูรณ์มากขึ้นนตะวันลารับลงตรงขอบวัดมูนกกาพิงกับรังอย่างสถานสองตาใหญ่ก็เร่ ตามทางสุดอ้างว้างตามปาเขาลำนังไหลภูเขาสูงแม่น้ำกว้างทางพุทเียวน้ำขุ่มเกี่ยวแชขาเลือดแ้งไหลน้ำตาหนองเต็มหน้าสองดาใหญ่แใจหมาย แววยิงเสียงมาแต่ไกลเหียงใสหนาแยกกันหาทีหมานตายายสงสัยสีจะเป็นเชียงทคนผู้อยแสนไกลเป็นหือตายอย่างไรให้รู้กัน ยังคงบอคุณสนอใจก็สั่นขอ ว่าฉันมาจากไหนไม่รู้ชื่อไม่รู้ว่าฉันนั้นเป็นใครเดินทางใจมานานตั้งหลายปีเสียงบอกว่าให้ถือน้ำพระพุธทธม น, นตร์ก่อนความเจ็บร้อนจะผ่นคลายหายบวด้าความเจ็บปวด พอมาในากายจะเป็นยาช่วยั้ความจังคลือฉันรับน้ำพระพุทธมนมานนตั้งสิอปฏิฐานขออํานาจคุณพระพุทธคุณสักหน ด้วยอำนาจพระพุะทธธรรมอันประเสริฐความจำเกิดคืค่นมาจาังสระสงความเจิบปวยทั่วทั้าในกายตนความสับสนความสงสัยไม่ตามมาขอฉันร้องให้ก้องไปในสามโท ความทุกข์โศความเหน็ดหนื่ออะไรหารู้ผู้จากไปไกลไม่หวนคืนกลับมาจะ<ม>ตามหามาหนาตั้งเจ้าเปลือยแต่แต่ทีลู้ของเราข <c oughs> ึ้นอยู่ทางนี้หนาะ <c oughs> ใคร <c oughs> ช่วยพาทีาทบออกทาง ตาขึ้นมาหาฉันพบแล้วแตาใหญ่พบแล้วพระรูปต่มีีตื้อที่มาทือทันมากรับในห้องวางถาตั้งใจพระรูปถามให้ไปดูที่ไหนกัน ตามหาพ่อและแม่แต่ไม่เห็นลูกได้แถมใม้ตามไปให้ทุกช้าเย็นจำและเรียนคงบังไว้ไม่ให้เจอยาคำโจมตุ้งลงกาดแล้วต่อโอ้ว่าความพักดพาดจากการนั้นเป็นทุก วันเนีลยคืนเคยสุกดับสลายความเจ็บปวดพรืมมาทั้งใจและกายดนถึงวันดับสลายตายจากกันสองดวงจิตอบปิดตามถามหาลูกดวงใจผูกสายสัมพันธ์ให้สิ้นกำเ ตามป่าเปียวเขาสูงงูเดินมาแขนและขาเสื้อและผ้าโดนน้ำขาดขนาดใจพ่อและแม่แขจลาก็หวั่นวาอยากที่เจ้าคอยดูแลเฝ้ารักษาแต่ก็ไปไกลลับไม่กลับมา ออกตามหาถามใครไม่เห็นเลยเลืมความเหนื่อยลืมความเจ็บลืมความลำบากลืมกระแทกกระด้างมาลืมไว้ที่ไหนนะานแต่ที่ลืมไม่ ล, มลงคือหน้าลูก สก tahu, ud, ud, ud ักสวยเส้นและแหงอ่อนความเหนื่อยล้นความเมาเหล้าคื่อตามหายายโสงเอ้ยลูกของเราเขาไม่นำพาใจเขาดำเหมือนอีกาจากไกลไม่เห็นใจไม่ใช่ดูเขาไม่ใช่พ่อเคยเก็บแม่เคยแก่แล้วยปจาไม่เห็นหน้า จากกันไกลเหมือนตายหิ้งกันไปไม่เหลือเชื่อใจในความบันดีขอกันทีไม่ขอหยุดต้น่ากันเลพระลูกถามจะไปไหนหงตามีผู้ที่เล่ายังพื้อเก่าความเมาไม่เคยหายรู้ไหมลูกจะมาช่วยฟังละ และอะไรสนุกสไลด์ลมกลางดินแท้ซิ้งใจจากสายเลือดกายมาเป็นสายน้ำนมบุงเพื่อลูกสายเป็ดผูกสายรัร้อยคอยขนองไม่ให้หากสองตาพ่อแม่คอยเล้มองคอยตัสอนให้ลูกปลูกฝัง คอยประคองูกมาแดดกันสองอทอดลำเล็กไปเปิดศีสองเพอคุณยิ่งใหญ่ในอัคคีสมทีวีไม่ลูกได้ไม่เสียดายไม่เคยลืมในพระคุณอันสูงสุดไม่เคยหยุดความใค่ดีทีเสมอ ไม่เคยอยู่ในความยืนเดืนอให้เดินทางที่เลยตามความฝันหมกมันเดินด้วยลูกนี้เกิดมาเป็นชายชาตินักสู้จะขออยู่เพื่อบอกผู้ผู้พระพุทธศาสนาจะขอเดินตามรอยบาทแห่งองค์พระศาสดา จะขอเป็นเช่นนาวาหาพ่อและแม่ข้ามฝั่งควา ง, งน้ำบนยอมเพงอายยอมเพงเก็บที่เขาดุดาหน้าจัค้าํำเล่าเขาไล่นี <c oughs> นำหน้าเข้าสู่ประตูแห่งประเทนศทางที่สวยงายวงไปทางวงไปทางตะลุ่มมาอยู่ตามป่าเขาสูงพุ่งปฏิบัติเอาสจัจจะบาลีเป็นที่หมาย ถ้าชาตินี้เอาดีไม่ได้ก็ขอตายอยู่กางผ้านาจะไม่ยอมถูกแตหน้าว่าซิ่งชายสลบกลงห้าหนขนคอผนแดายังไม่ตายลงหายใจยังอยู่สู้ไม่ถอยสิ่งที่ได้มาเบค่าสงที่รอคอย อูตามลมป่าดอยมาหลายปีได้ปฏิบัติขัตตนลจนทนสงสัยได้เห็นเหตุเห็นภัยในสงสารได้เห็นทุกข์เห็นสุขในหมู่มารได้ข้ามฝั่งข้ามบ่วงมารมาหลายปี ขอไปนี้จะขอนำหูเวในฤาษีจะขอขจัดความเมื่อนในวังวนแห่งคุกสงาจะขอดับทุกแับรอยที่นอนเรื่องอยู่ในขันทศสันดาจะขอดับหมู่มาเพื่อให้โลกได้ร่มเย็นหรือเป็นการตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ สู่หลักัยตามรอยพฤติกรรมนำสุขีขอให้โยมพ่อและโยมแม่จงได้พวกเห็นแต่สิ่งที่ดีจากวันนี้ตลอดไปชั่วกาลนานคุณตามีคุณยายคงโจนก้นลงการ จะอีปีอีชาต่อไปไม่ขอหนีจะขออยู่เพื่อสต่เพืิบัติในคุณงามและความดีอยู่ที่นี่โดยนีพระรูปผู้ทรงพระเมตตาเรื่องยาวเก้าปีวันนี้ลูกลานขอชบ ลูกหลานขอยกุกเอาขึ้นไว้จนเหนือหันลูกหลานขอการกับเครื่องราวที่ผ่านพ้นมาคุณตามีคุณยายทาจนอยากถือโทษโกรหลางเลงองพ่อหลวงปูลูกพูดได้คนนี้ก็ขอการที่ลูกชาอีกครั้ง ร่วงเกินไปโปรดเมตตาช่วยแก้ไขลูกคนนี้ยังได้ด้วยปัญญาจะขอขมาสุดหัใจโปรดเมตตาให้โอกาสและให้อภัยที่ลูกได้ร่วงเกินไปทุกๆประการด้วยเถิดสาธุ ก e ดีเจ้าคขอบคุณที่ย้ายจบเจ้ที่ได้เกคนลให้เราลูกหลาน้่ะน้อนอลไป ก้อนโตบรรทูกันันอกอีกทีมาเจหนักหักหาขึ้นขึ้นเขาไปเ่ น, น, น, น, นเไปเ่ น, นไปนนไ ป, ไปเอา ครับครัดแผลแผลแล้วไปได้ที่นี้ลองพิจารณาบุญตัวเองสิขอท่านไปหร อ, อท่านเห็นมางลูกต้นนี่นหนึ่งบุญบวชลูกชาย <c oughs> คนแรกสองบุญบวชลูกชายคนที่สองสามบุญอัฏฐบริพานสี่ บุญประพฤติคุณงามความดีหรือสินแปดในช่วงที่จะการเข้าพรรษาไม่ลึกถึงบุญของตัวเองน้อมบุญรวมลงปัจจุบันบินยานของโยมแม่คำโจมก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายภพภูมิขึ้นสู่ชุคธีภูมิในเทพทัานดบวดึงสมตราธนา ถ้าไม่รวมบุญแบบนั้นถ้าไม่คิดถึงบุญการที่จะขึ้นไปอยู่ดาวบดึงความสว่างสวัยแห่งรัสมีของตัวเองพร้อมทั้งปราจาทราชมนเทียท่าทาทาบริวารจะไม่สมบูรณ์ ก็ลืมไม่ลึกถึงบุญของตัวเองเวลาที่จะเคลื่อนย้ายแลึกืถึงบุญของตัวเองแต่ยินยานโยมพ่อมีคงไปไม่ได้ เจ้าอน้ายคุ้มว่ววัวเดิเท่าเดิให้เจ้าซุยให้เจ้าตังที่ใจบันเจีนเียนให้ได้ไปน้าคนใหสท่าเจ้ากเอคุณนะเทามันจแกคือการลูกชายของ่ท้มันแย ขึ้นยอนแ่คำโจมตั้งใจให้ดีน้อมใจขึ้นสู่ดาววดึงน้อมใจขึ้นสู่ดาววดึงรวมพลังบุญทั้งหมดพวกเราสาธุการกับโยมแม่ขององค์หลวงปู่ด้วยพรหมุนนาด้วยนะโยมแม่คำโจมสาธุ l i ê n l ê n h ẩ u đó sầu đó, quay đi t a à c h n g chậm q u a m qua đây s í a từ l c à i thằng, l ò n h ê năm i a con đỡ n ได้อยู่ทระบุญแก่อยอะอีเพียงแตบาปบุศสนกันแค่นั้นชอบทำบุญเพราะโยมแม่กับลุงปู่คล้ายกันนิสัยคล้ายที่ชอบทำบุญนิสัยโยมแม่แคแกจะเกียดเลยคือโกรธเลยวนัน และว่าเป็นนิสัยที่หายยากอยู่ในปัจจุบันจึงพ่อกับแม่เช่นยมพ่อยมแม่รุงปูนไม่ค่อยจะรอ บ, บอกวงกันเท่าไหร่แน่ือนกับกลุ่มเมือนตึงมาเป็นช่วงหลังๆที่ต่างคนต่างแค่ความเก็บไข่อร่อแอดแ อ, อ, อดเป็นก็เลยทำให้จิตใจของผู้ แก่กูเท่าเป็นแบบนะั้นแต่ในช่วงที่ลุงปู่ยังเป็นเด็กไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยหินในการที่จะติดใจกันระหว่างพ่อกับแม่ในเวลาที่ลุงปู่อยู่ลุงปู่จิ่นเอาตัวอย่างพ่อแม่มาใช้เวลาสอนลูกก็เหมือนกับลุงปู่สอนพวกเราก่อนอาหาร สอนเอาจริงเอาจังเวลากินก็กินร่วมกันพี่น้องก็เป็นคนในบ้านว่าครอบครัวลงปู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพี่น้องไม่ค่อยจะระเบียบเวียกอาหา ย, ยากอยู่ในปัจจุบันพอพึ่งมาเป็นช่วมโตขึ้นมามาจารยคนก็จะมีกริติ่งขายที่ เปลี่ยนแปลงไปตามังขาแร่างกายที่โตขึ้นแต่ลงปู่มันเปลี่ยนอาจจะพูดถึงกบบมีแต่โยมแม่ได้กับลงุงปู่มีค่คล้ายกันมาที่ดีที่สุไม่ค่อยผิดกันการเดินการอะไรก็คล้ า, านเวลาที่ลงุงปู่อยู่กับ พ่อแม่ทึงปู่จึงเป็นลูกที่ดีถ้าพี่ใครดูแลผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เหมือนทั้ปู่ใครเป็นปู่เป็นเป็นผู้ให้เรื่องราวจึงได้ละเอียงละอ่อแม่สนนั้งปู่ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้พวกเราฟังขนาดนั้นแต่การเขียนถือว่า น้อมลงที่ใจทาเอาหลวงปู่น้ำตาร่วมลมเป็นคำพ้าจริง่าคื อ, อยามมันหนึ่งออกมานะเขาไล่ออกจากวัดวัดมันเรานาดีไปไหนแล้วเราจะเอาผ้าที่ไหนไปบวชเรา ค่าแล้วก็ไม่มีไม่ได้เอามาจากบ้านบาทเราก็ไม่มีมีเงินอยู่ในย่านหนึ่งพันบาทก็ไม่เอามามากเราก็แล้วก็เอาบากส่วนหนึ่งก็ให้พี่เป็นส่วนเป็นเป็นฝากไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็ซื้อของ เราบอกว่าเราเราจะไปเอาข้างหน้าพอาิที่วัดมีเยอะแล้วก็เลยค่ะติใจลรวจะเอาไปแค่นี้เพราะขารถก็ไมาริษสียหมูมาส่งเราก็ไม่คิดว่าครูบาอาจารย์จะเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมแม้จะรบมันเดียวเราขอเพื่อใช้ในการที่จะกั้นผลในช่วงหน้าผลในการเป็นปัดกวาดาลาแค่นั้นยังขอองค์ท่านไม่ได้ หลวงปู่ไม่ได้โทษท่านนะโทษกรรมที่หลวงปู่ทํามากุติก็ไปอยู่กุติรู้รู้หลังฝนตกมาเนี่ก็ไปอยู่ข้างห้องน้ำํำใช้ไม่ค่อยได้เอาเสียบเอาอะไรที่อื่นท่านก็มีเยอะแต่ท่านก็ไม่ให้อยู่เซียดาแล้วพวกเราไม่เห็นกุติหลังนั่นนี่นมันก็มีความรู้จักที่ ที่พูดยาตนะนนันตื่นตัน ม, มาตลอดตลอดความที่กล้ายิ่งกล้าขึ้นกล้าขึ้นความบ้าดิ้นของบ้าดิาา น, นมันไม่ได้มีอะไรเลยเรานหน้าตัวคนเดียวจริงความทุกนั้นเป็นอาจารย์ความที่ไม่มีที่พึ่งอันใดเลยนอกจากผู้ใจเจ้าเป็นอาจารย์ ญาติเราก็ไม่มีมันเกิดทะเลพลังบวชอยู่โยมพ่ อ, อยหญ่ลุนก็ไม่เลิศเเออถ้าไม่มีใครบวชให้พ่อแม่จะบวชให้เดี๋ยวะลาเอาดอกไม้ไปสาธุประการ โดนเป็ดกันดอกไมก้เองกรรมแล้วไม่ได้รบนะกวนใจเพราะกรรมเราเองชี้หน้าด่านหมู่หมืนหมาก็ไม่มียากจริงๆ แต่แต่งไม่ดีนะก็ไม่รู้จะเป็นไงแม้แต่ทุกขาวที่เต็มอยู่ในวัดเราก็ไม่มีโอการใช้ของท่านเดาทุกขาวข้เก่ามาสองทุกนี้ร่มเราซื้อทั้งใจเป็นคาราวายเอามาแล้วึกถึงไปแล้วก็ เป็นเรื่องของกรรมไม่ได้ไปตอกจำตั้มตื่นครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นกรรมตัวเองแต่นั่นเป็นอาจารย์ทําใหลวงปู่มีความรู้สึกก็ตื่นรุนคลางรู้สึกที่มันอาจหารศิกมนุษย์มันนั่นประภิีนี้ หลวงปู่พูดตรงๆหลวงปู่คริ่งได้มาอยู่สบายอยู่ที่นี่แค่นั้นแล้วหลวงปู่จะดูนะเพราะเราหลวงปู่ก็ดูแตกต่างทางเพราะพวกเรามันไม่เอาทานไอ้หลวงปู่ทุกข์กว่าพวกเรามันเกินที่จะพูดให้ฟังมัน มันหมือกัาคำบรรยายไม่รู้แต่มันจะบรรยายแบบไหนแต่ไม่เคยน้อนนี้สักใจมีความรู้สึกว่ามัน เคยเคยเคยอ่อนแออยู่เป็นบางครั้งจะต้องมันแก่แก่ขึ้นหลุงลงปูง่ว่าลงปู่แก่ขึ้นอย่างเพรา ะ, ระ ป, ประสบการณ์ด้านชีวิต ใจหลวงปู่ก็ไม่เคยเล่าอันอรที่ให้พวกเราฟังที่มันสุดๆนี่ถ้าจะเล่าไปั้นม็มีประโยชน์อะไรเพราะเพราะถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมของตัวเอง <c oughs> ถึงลงปูน้ำน้ำจจะร่วงแต่ว่าใจหลวงปู่นี่เป็นไรในการสู้ตัวเหมือนกับอยู่ตัว คนเดียวนี่ลูกหลวงปูพูดหลายครั้งเหมือนกับหลวงปู่อยู่ตัวคนเดียวนี่ยิ่งไห้ลูกจะลูกหาที่นอกลูก่นอกทางออกความรู้สึกไม่คิดของตัวเองมาใช้ตัวกกับบาน ย, ยิ่งทำให้เรานี้ค้อในการ ท, าที่จะสังขอร ล, ลกูกสิ่งที่เราโสเป็นโสดตายมาน่าจะได้รัศ ตอบรับในสิ่งที่ดีกับเรทุกหาบ้างมันก็ไม่เป็นแบบนั้นพวกเราอยู่ดีกินดีไปดีมาดีมันก็พออยู่พอกินกันทุกคนแต่ลงปู่ไม่เลยมันไม่มีความ ก็บางวันมันฉันฉันจะลงเพราะอาหารไม่มีในท้อง ถ้าคอบรกปะข้าก็ทำดีอย่าทยายาอย่าให้ห้วงปู่ลำาบากใจพวกเราลปูกพื้นอดพื้นทนอยู่เพราะพวกเราหปู่พูดอะไรั้งหลงูกมีอะไรทักขายให้หลวงบูกกับพูดเนียปัญญาโดยเจ้าค่ะ ไปช ม, นะามาก่อนนะทำอะไดเขาต้องขอโอกาสนี่เป็นอะไรที่จะทําให้ครูบาอาจารย์นังูตรงใจสบายใจครับข้าเป็นคำ ปีดคาดมาันไปแล้วครพูดคือใก้คือเฮ้ยคูดนีดดียนแ้นใส่นนนเร็วๆใช่ไหมใช้รมไม่ใช่ใช่ใช้นี่ใชนี่ใส่ทางดุลิ แล้วเมื่อใดที่มาตำา้อนโลกแล้วเราจะยู่อย่างสบานมั่หมุ่นคณะมันงคืเอาจริงเอาจางจริงทะนุทะลกยว่าที่เราทำมากปล่าพวกเรานูกตาลพูนเออหมดคออยู่ในตั้งต้นใหม่ด้วยเริ่มต้นใหม่เรื่อย เลยไม่งอกงานตะกีนะจิตใจ เคยมีหมาหืมโค้ดทัวรไว้มาลามุบงามเหมือนกับใจิตใจของหลวงปู่ทีม่มีต่อลูกหลานเราอยากให้จิตใจของพวกเราเหมือนงามเหมือนดอกมไม้มมนักนผึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องงามไม่มีการเสริมแต่ง พวกเราดีแจงงดงามเหมือนกับดอกไม้นี่ก็แล้วกันนะอืมเอานะคุณท่านาคุณหลวงปู่เจ้าค่ะลูกนายนายด้วยเป็นว่าหลวงปู่จะท้ที่จะตั้งตอเจ้าค่ะสาธุ เทศบทนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติขององค์หลวงปู่น้อยยานวโรด้วยสัจจะบารมีที่ตั้งมั่นในเพศบรรพชิตจึงเดินทางจากบ้านเกิดโดยไม่ย้อนกลับสามปีต่อมาโยมพ่อและโยมแม่ได้เสียชีวิตลงด้วยความรักและความผูกพัน ดวงวิญญาณของทั้งสองท่านได้ระหโกระเหินติดตามหาลูกชายด้วยความยากลำบากเป็นเวลาเก้าปีจนในที่สุดท่านมาพบพระลูกที่วัดป่าห้วยรินแห่งนี้